ก็เหมือนกระทงลอยน้ำเนี่ยทำให้กระทงไหวได้ง่ายไหมไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกระทงวันเออพอปราสาสไหวเท่านั้นแหละเทวดาก็ร้องลั่นบอโอ้ยปราโปรดทำปราสาทให้เยอะอยู่ตั้งดั้งเดิมถเถอะนะกลัวธิฏฐานเนี่ยนะเราเข้าจริงก็เลยกลัวสมมเนนก็เปล่งอุทานบนยอดปราศาสตนั้นว่าเราบวชในวันนี้ก็บรร ล, ลุอาสวาัไขคืออรหัตผลในวันนี้ เรีว่าบรรลุวันเดียวบวชวันเดียวก็บรรลุอรหัตผลเราทําเวทชยันตแต่ปราศาัตให้วันไหววันนี้โอ้พระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณไม่ได้หรือว่ามีพระคุณที่โอลารพระพุทธคุณนี้ยิ่งใหญ่แท้เนี่ยนะคือคือท่านท่านได้อานุภาพที่ยิ่งใหญ่ทําปราศาัตของสวรรค์ชั้นดาววดึงให้วันไหวได้ท่านก็เห็นความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าว่าถ้าไม่ใช่พุทธานุภาพ ที่พระองค์สั่งสมบารมีแสดงธรรมเพื่อนำออกจากทุกเนี่ยนะถ้าไม่อาศัยพระพุทธคุณแลว้วความยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยจะมีได้ไหมท่านก็บอกว่าความยิ่งใหญ่เหล่านี้เนี่ยได้มาจากพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจึงสามารถทำให้ปราสาทนั้นหวันไว้ได้เราบวชวันนี้ก็บรรุกอาสวะไขถึงถึงอรหัตผลในวันนี้เราทาเวชยันตตปราสาทนี้ให้หวันไว โอ้พระธรรมคืออริยมรรคอริยผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าแสดงบอกกล่าวเนี่ยนะเป็นธรรมที่มีคุณที่ยิ่งใหญ่แท้มีคุณหาประมาณไม่ได้มีคุณที่โอฬานเนี่ยนะถ้าไม่อาศัยคําสอนที่พระองค์สอนถ้าไม่อาศัยการบรรลุมรรคผลนิพพานแทงตลอดอรหัตผลท่านจะทําปราศาสตให้หวันไหวได้ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นพระธรรมนี่คือ ข้อปฏิบัติคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนอริยมรรคอริยผลนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แท้เป็นสิ่งที่มีคุณหาประมาณไม่ได้นะนะก็ อ, อัปปามโนธรรมโมนั่นเองเราบวชในวันนี้ก็บรรุอาสวะไขคืออรหัตผลบวชวันเดียวก็ทำอรหัตผลให้แจ้งสา ม, มารถทำปราศาสนี้ให้วันไว้โอพระสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญานนณทัศนะ พระอริยเจ้าทั้งหลายมีคุณมโหรามีคุณหาประมาณไม่ได้อันผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยช่างมีคุณที่ยิ่งใหญ่แท้บา ง, งั้นโอ้ความน่าอัศจรรย์แห่งระรตนะไตรเนี่ยนะอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวข้อที่สองก็คืออนุภาพของท่านผู้มีฤทธิ์นั่นเองเนี่ยนะอนุภาพของท่านผู้มีฤทธิ์หรือเทวดาทั้งหลายก็สามารถทาแผ่นดิน ให้หวันไว้ได้ส่วนเหตุผลต่อไปเนี่ยนะเหตุที่แผ่นดินไว้อย่างที่ ส, สเป็นต้นไปเนี่ยนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งหข้อหข้อหลังเนี่ยนะโจติจากดุสิตสอ 2. ประสูตรจากขันพุทธมารดาสาตรัสรู้อนุตตรสัมม า, ส, า, มาสัมโพธิญาณ 4. ประกาศพระธรรมจักร 5. ปลงพระชนมายุห ปริณิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานทิ้งขันห้าปริณิพานอย่างแท้จริงเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยแผ่นดินก็หวั่นไหวรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหกข้อเต็มเลยนะคิดรายละเอียดนะั้นหนึ่งจุติจากดุสิตคือเมื่อพระองค์บำเพ็ญบารมีแล้วปฏิสนี่ในดุสิตตอนที่จุติจากดุสิตแผ่นดินก็ไหว ประสูตรจากขันพุ้ธมานดาแผ่นดินก็ไหวตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแผ่นดินก็ไหวประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปแผ่นดินก็ไหวปลงอายุสังขารแผ่นดินก็ไหวอันนะปรินิพานด้วยอนุ ป, ปาทิเสสะปรินิพานแผ่นดินก็หวั่นไว้เนี่ยนะตอนที่ไปอินเดียเมื่อเดือนตุลาปีก่อนโนเนี่ยนะปีก่อนโนเนี่ยก็ไปเกือบทุกแห่งเนี่ยนะที่แผ่นดินไหวนะที่ที่ไหนบ้างไปที่ ประสูดเนี่ยนะหนึ่งที่ประสูตดที่ตรัสรู้ที่ประกาศพระธรรมจักรแล้วก็ไปที่เมืองภัยสาลีเข้าไปวันก็ไปสถานที่ที่แผ่นดินไหวเนี่ยหแห่งด้วยกันไม่ได้ไปอยู่ที่เดียวคือที่ดุสิตเนี่ยนะที่พระองค์จุติแล้วก็แผ่นดินหวมาเนี่ยไม่ได้ไป น, นะเดี๋ยวก็จะไปแล้วอธิบายเพิ่มเติมรายละเอียดสักเล็กน้อยในหน้า396บอกว่า แผ่นดินไหวครั้งที่หนึ่งเนี่ยอันนี้ด้วยอนุภาพของธาตุกำเริบแผ่นดินไหวครั้งที่สองก็เพราะอนุภาพของท่านผู้มีฤทธิ์ครั้งที่3มครั้งที่สเ น, นี่ยนะลงสู่ ค, คันหรือตอนที่ปฏิสนธิกับคลอดจากคันพระพุทธมารดาอันนี้อนุภาพของบุญเพราะผู้มีบุญอนะอนุภาพของบุญนี่ก็ทําให้แผ่นดินไหวได้ส่วนตอนตรัสรู้อนุตตรสัมมาสามัมโพธิญาณอันนี้ด้วยอนุภาพของปัญญา ปัญญาที่แทงตลอดพระนุตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ทำให้แผ่นดินไหวส่วนประกาศพระธรรมจักรนั้นนะแผ่นดินหรือเทวดาที่ประจำภาคพื้นให้สาธุการก็เป็นเหตุให้แผ่นดินไหวส่วนตอนที่โปร่งโปลงมายุสังขารแผ่นดินไหวก็เพราะภุมเทวดาเป็นต้นมีใจกรุณาส่วนแผ่นดินไหวครั้งสุดท้าย่อตอนปรินิพานอันนี้ก็ ความร้องไห้ของเหล่าเทวดาอีกในหนึ่งท่านบอกว่าครั้งเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันพระพุทธมารดาตอนที่ประสูติจากคันพระพุทธมารดาอันนี้แผ่นดินไหวด้วยอำนาจบุญของพระองค์แท้ตรัสรู้อภิสัมโพธยานเนี่ยนะตรัสรู้อันนั้นก็ด้วยอนุภาพของพระยานของพระองค์ประกาศพระธรรมาจากแผ่นดินก็ให้สาธุการปลงอายุสังขารแผ่นดินก็กรุณาเนี่ยนะ เรียกว่าทนไม่ได้เนจิตใจก็หวั่นไหวเลือกเกินสงสารพระพุทธเจ้าด้วยเป็นต้นนะ น, นะส่วนครั้งสุดท้ายก็บอกร้องให้นะกำลังแห่งการร้องให้อันนี้ด้วยอนุภาพของไหนภู ม, มิเทวดาทั้งหลายนั่นเองส่วนปัตภพีที่หวั่นไหวนั้นเป็นมหาภูต ร, รูปไม่มีเจตนาเนี่ย น, นะทีนี้ฝ่ายพระอ น, นละุล่ะเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสเล่าว่าเพจให้แผ่นดินไหว มีแปประการใช่ไหมในแปประการนั้นเนี่ยนะอยู่ข้อไหนครั้งนั้นอ่ะนะตอนที่โปร่งโปรงมายุสังขารก็เพราะเหตุที่พระองค์ปลงมายุสังขารความที่พระองค์ปร่ ง, งมายุสังขารนั่นแหละแผ่นดินก็หวันไหวขึ้นที่แผ่นดินเอ่อที่พระองค์ปรงมายุสังขารเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้กลัวอะไรเลยเนี่ยนะเพื่อที่จ ะ, สะแสดงทำให้พระอานนท์ฟังว่าที่พระองค์ปรงมายุสังขารพระองค์ไม่ได้กลัวอะไรเลยซักนั้น พระองค์ไม่ได้เคยกลัวแม้กระทั่งในบริษัทแปดเพราะอะไรเพราะพระองค์มีอภิพาญตะแปดพระองค์นี้มีวิโมกแปดความที่พระองค์เนี่ยนะครอบงําบริษัทแปดพระองค์มีอภิพาญตนะแปดพระองค์มีวิโมกแปดพระองค์เนี่ยดำรงอยู่ในคุณธรรมเช่นนี้พระองค์ไม่ได้กลัวอะไรเลยนะที่ปลงพระชนมายุสังขารทีนี้พระองค์ก็ตรัสเล่าให้พระอานนท์ฟังว่า ที่พระองค์ดับขันทปรินิพานหรือปลงอายุสังขาร น, นั้นไม่ได้เกิดจากอคติใดๆเช่นฉันท า, ตทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติไม่ได้กลัวอะไรเลยทั้งนั้นพระองค์ก็เล่าว่าดูก่อนอนุนข้อ99ข้อ200ออหน้า282ดูก่อนอ น, นุนบริษัทแปดเหล่านี้บริษัทแปดเป็นชนไหนคือขัตยบริษัทเรียกว่าก บริษัทกษัตริย์นะคัติยะบริษัทพรามบริษัทเครืหับดีบริษัทสมณะบริษัทจ่าตุมบริษัทดาวดึงบริษัทมารบริษัทพรมบริษัทบริษัททั้งแปดเนี่ยนะโดยเฉพาะบริษัทแรกคือกษัตริย์บริษัทเนี่ยนะปศพสภากษัตริย์เนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมเรายังจําได้ว่าเราเข้าไปหาขัตยะบริษัทหลายร้อยเนี่ยนะหลายร้อยเค่ว่าหลายร้อยครั้ง เข้าไปหาสมาคมกษัตริย์นี่นะไม่ใช่ไปครั้งเดียวนะณที่ขติยะบริษัทนั้นเราเคยนั่งร่วมเคยเปรยียสัยเคยสนทนาพวกกษัตริย์เหล่านั้นมีวันลนะเช่นใดเราก็เป็นเช่นนั้นเสียงของเขาเป็นเช่นใดเราก็เป็นเช่นนั้นเรานั้นให้พวกกษัตริย์เหล่านั้นเห็นแจ้งสมาทานอาถรรพ์ร่าเริงด้วยธรรมมีกระถาพระองค์ไปสอนเขาทาั้งๆที่พวกกษัตริย์เหล่านั้นไม่รู้จักเราผู้พูดว่า ผู้นี้เป็นใครหนอพูดอยู่จะเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์เนี่ยนะยิ่งใหญ่จริงๆผู้นี้เนี่ยที่มาพูดเนี่ยนะเรานั้นครั้นให้พวกนั้นเห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมีกรถาแล้วก็หายไปพวกนั้นก็ไม่รู้จักเราว่าหายไปแล้วว่าผู้นี้เนี่ยนะใครหนอหายไปจะเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์เนี่ยนะคือพระองค์ไปแสดงธรรมเพื่อเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยให้เขาได้ ตรัสรูม้มรรคผลต่อไปในอนาคตนั่นเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยพวกเราทั้งหลายไม่แน่นะพระพุทธเจ้าอาจจะไปเคดไปโปรดพวกเราแล้วใช่ไหมตอนนั้นเรายังไม่รู้จักพระองค์เนียก็เลยตอนนี้รู้แล้วรู้ว่าพระองค์เป็นใครแล้วนะเป็นพระอรหรันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นเองและยังมีอีกดูก่อนอนนน์เรายังจําได้ว่าเข้าไปหาบ ร, รมน่ะบริษัทคือบริษัทพราหม์ทั้งหลายเนี่ยนะหลายร้อยครั้ง เข้าไปหาครืบดีบริษัทก็หลายร้อยครั้งเข้าไปหาสมณะบริษัทก็หลายร้อยครั้งไม่ใช่ไปครั้งสองครั้งนะหลายร้อยครั้งจ่าตุมบริษัทก็หลายร้อยครั้งดาวดึงบริษัทก็หลายร้อยครั้งเข้าไปหาพวกมารบริษัทแบบเข้าไปถึงดงมารเนี่ยนะก็หลายร้อยครั้งแม้กระทั่งพรมบริษัทวิมานพรมทั้งหลายก็เข้าไปหลายร้อยครั้ง ในบริษัททั้งหมดเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นพรามหมณ์ขึ้หบดีสมณะจาตุมดาวดึงมานพรมเนี่ยนะที่เราเคยไปหลายร้อยครั้งเดยได้เรานั้นก็เคยฟังร่วมเคยปราใสเคยสนทนาบริษัทสีสันผิวพรรณของพวกเขาเป็นเช่นใดเราก็เป็นเช่นนั้นนะเสียงของพวกนั้นเป็นเช่นใดเราก็พูดภาษาเช่นเดียว ก, กันกับเขาเหล่านั้น เราก็เนะให้พวกนั้นเห็นแจ้งสม า, า, าทานอาถารร่าเริงด้วยทำมีกระทาแต่ว่าพวกพรามเครหาบดีสมณะจาตุมดาวเดืงมารบริษัททั้งหมดเหล่านั้นไม่รู้จักเราผู้พูดว่าผู้นี้ใครหนาะผู้จะเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ครั้นเราให้พวกนั้นเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถารให้ร่าเริงแล้วก็หายไปพวกนั้นไม่รู้จักเราว่าหายไปแล้วว่า นี้ใครหนอหายไปแล้วจะเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์เนี่ยนะอันนี้ยกขึ้นมาให้เห็นซ้ําอีกครั้งว่าพราะองค์ไม่ได้กลัวเลยนะที่ไม่ใช่ว่าเนี่ยอย่าว่ามารรูปเดียวที่มาอาราธนาเลยมารเป็นร้อยเป็นพันองก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกนี่พี่ปริยนิพานเนี่ยไม่ใช่เพราะวันไวขณะเดียวกันพระองค์ไม่ได้โง่เขลาไม่ได้มีจิตฟุง้งซ่านไม่กลัวแต่บางคนกําลังฟุ้งอยู่พระองค์ก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นพระองค์ยังยกอภิพายตนะขึ้นมาว่า พระ อ, องค์ไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยนะและขณะเดียวกันพระ อ, องค์ก็มีจิตมั่นคงมีจิตมั่นคงมีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างดีพระ อ, องค์ก็บอกว่าดูก่อนอ น, นุอภิพายตนะฌานที่ครอบงำค่าศึกและครอบงำอารมณ์แปดอย่างเหล่านี้แปดอย่างเป็นไฉนะคือหนึ่งผู้มีความสำคัญหรือเจริญกษินบริกรรมภายในรูปร่างกายของตัวเองแต่เห็นรูปภายนอกที่เล็ก ที่มีผิวพันธุ์ดีบ้างมีผิวพันธุ์ามบ้าง น, นะหมายค่าว่าได้ชาญเนี่ยนะคือครอบงามรูปเหล่านั้นก็มีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นอันนี้เป็นอภิพายตนะข้อที่หนึ่งคือพวกนี้เจริญกะสินในร่างกายภายใน น, นะเช่นเจริญะกะสินภายใน ท่านบอกว่าเจริญนีลกสินในภายในที่ผมที่ดีหรือดวงตาดวงแววตาดํานะปีตะกสินกสินสีเหลืองที่มันค้นที่ผิวที่หลังมือหลังเท้าหรือว่าสีเหลืองของดวงตาโลหิตตกสินกสินสีแดงที่เนื้อที่เลือดที่ลิ้นหรือว่าที่สีแดงของดวงตาทํากสินบริกรรมที่โอทาตกสินสีขาวเช่นกระดูกฟันเล็บหรือสีขาวของดวงตาอนนะ เพรแต่ว่าสีที่เป็นภายในนั้นไม่ใช่กสินที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงแต่ว่าพระองค์เนี่ยพิจารณาภายในก็ได้แล้วมีอารมณ์ที่เป็นภายนอกเนี่ยนะเป็นฌานแต่ก็ได้ฌานทั้ง4ี่เนี่ยนะทั้งปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานและจตุทัชฌานหมายว่าพิจารณาเอ่อเจริญเบื้องต้นปรารบภายในแต่ก็อาศัยอารมณ์ภายนอกเข้าฌานผู้หนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกใหญ่ข้อที่ข้อแรกนี่จะเป็นรูปภายนอกเล็กเพราะอะไรเพราะตัวเองนี้เป็นพวกวิตกจริญเนี่ยนะเป็นพวกวิตกจริตจะเห็นรูปภายนอกเล็กส่วนพวกโมหะจริตจะเห็นรูปภายนอกใหญ่พวกเห็นรูปผิวพันธ์ดีเพราะเป็นพวกโทสะจริญถ้าพวกเห็นรูปผิวพันธ์ซางก็แผลเป็นพวกราคะจริตแล้วก็ครอบงำรูปทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะและมีความสําคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี่เป็นอภิภายะตนะข้อที่สอง อันนี้ก็เนื่องจากเจริญกสินภายในแล้วก็สังขารร่างกายภายในแต่ก็เข้าฌานได้เพราะอารมณ์ภายนอกปรากฏขึ้นกลุ่มที่สผู้หนึ่งมีความสำคัญในอารูปภายในหมายความว่าไม่ได้เจริญกสินบริกรรมภายในอะไรเลยเห็นรูปภายนอกเล็กมีผิวพันธุ์ดีมีผิวภาสามครอบงำรูปเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพภายตนะข้อที่3ก็คือพิจารณากสิจากผมคนเล็บฟันหนังของ สิ่งอื่นนอกจากภายในตนอย่างที่ส อ, อย่างที่สี่พูดหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายในเห็นรูปภายนอกใหญ่จะลืมว่าพวกเห็นเล็กเนี่ยเป็นพวกวิตกจริตพวกเห็นใหญ่นี่เป็นพวกโมหจริตเนี่ยนะผิวพันธ์ดีก็เพราะโทสะจริตผิวพันธ์างก็เพราะราคะจริตครอบงำรูปเหล่านั้นและก็มีความสําคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพาญตนะข้อที่สี่ อันนี้ระดับฌานทั้ง4ี่ทั้งปถมฌานทุติยฌานตัติยฌานและจตุทฌานข้อหนึ่งก็ระดับฌาน4ข้อ2ก็ระดับฌาน4ข้อ3ก็ระดับฌาน4ี่ข้อ4ก็ระดับฌานส